ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมรายการาธรรมะในเย็นวันนี้ที่จริงเย็นวันนี้ก็เป็นเย็นวันศุกรนะ์สำหรับหลายท่านนะก็อาจจะรู้สึกผ่อนคลายนะเพราะว่า อยู่สองวันจากนี้ไปก็เป็นวันหยุดหลายท่านก็เตรียมตัวเดินทางนะเพื่อเที่ยวไปพักผ่อนหรือว่าไปเที่ยวนะแต่บรรยากาศอย่างนี้เนี่ยนะการที่จะมาพูดเรื่องความตายอาจจะรู้สึกว่าไม่เท่ากับบรรยากาศหรือว่า อารมณ์ในเย็นวันศุกร์เท่าไหร่แต่ที่จริงแล้วนะการที่เรามาพูดเรื่องความตายในโอกาสอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะแก่การเพราะว่า ความตายนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักมันและเข้าใจความตายได้ดีพอชีวิตเราก็จะผ่อนคลายแต่เป็นความผ่อนคลายโดยไม่ได้พังเหลอผ่อนคลายเพราะเราได้ รู้จักการละวางและเห็นความสำคัญของการปล่อยวางคนเราในยามที่เราเจอความทุกข์ในยามที่เราเจอปัญหาซึ่งดูเหมือนว่าใหญ่โตสาหัสสากันแต่พอเรานึกถึงความตายขึ้นมา อาจจะเป็นความตายของเราเองหรือความตายของคุณที่เรารับซึ่งยังไม่เกิดแต่ว่าจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าพอเรานึกเช่นนี้เรารึกได้เช่นนี้เราจะรู้สึกทันทีเลยว่าความทุกข์ที่มันสาหัสากันนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยการเราเรื่องนี้ถึงความตาย เป็นอุบายอย่างหนึ่งในการช่วยที่ให้ให้เราได้ปล่อยวางจากความทุกข์ที่เราคิดว่ามันยิ่งใหญ่เพราะว่าสำหรับปุุ้ชนแล้วเนี่ยคงไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกับความตายยิ่งใหญ่ในที่นี้หมายถึงเป็นวิกฤิิที่ยิ่งใหญ่แต่นั่นก็เป็นความเข้าใจ เกี่ยวกับความตายเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าความตายนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งมันคือโอกาสมันไม่ใช่แค่วิกฤตอย่างเดียวแต่มันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสสำหรับการยกระดับชีวิตและจิตใจของเรา ทั้งในขณะที่ยังห่างไกลจากความตายแล้วก็ในยามที่ความตายมาประชิดมาจ่ออยู่ข้างหน้าความตายนี่เป็นโอกาสอย่างไรอัตมาก็จะได้ขยายความาในโอกาสาในตอนในตอนต่อจากนี้ไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจ ความตายซึ่งที่จริงก็เป็นเรื่องที่เราตระหนักอยู่แล้วก็คือว่าความตายนี่เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่แน่นอนของทุกชีวิตเพียงแค่นี้เนี่ยความตายก็ดูเป็นเรื่องที่น้าหนักอกหนักใจเวลาเราคิดถึงมันว่าในที่สุดเราเอง ก็ต้องลาจากโลกนี้ไปในที่สุดเราก็ต้องลาจากคนที่เรารักหรือสิ่งที่เราหวงแหนชนิดที่ไม่สามารถที่จะยื้ยุดหรือว่าฉุดอะไรไปพร้อมๆกับเราได้อันนี้คือสิ่งที่หลายคนประหวัตท่านจุ น, พนเพราะว่าความตายเป็นสิ่งที่แน่นอน แต่สิ่งที่แยกกันนั้นก็คือว่าในความแน่นอนนั้นมันก็มีความไม่แน่นอนแฝงอยู่มากกล่าวคือเรารู้ว่าเราจะต้องตายแต่เราไม่รู้เลยว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราจะตายที่ไหนเราจะตายอย่างไรนี่คือความไม่แน่นอนที่ไม่สามารถจะทำลายได้ พระพุทอง์พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเนี่ยความตายสิ่งที่เราไม่สามารถจะทํานายเกี่ยวกับความตายได้ก็คือว่าจะตายเมื่อไหร่จะตายที่ไหนจะตายอย่างไรจะตายเมื่อยอายุเท่าใดและตายตายแล้วจะไปไหนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทํานายได้แม้แต่คนที่เป็นเอจก็อาจจะตายเพราะอุบัติเหตุก็ได้หรือตายเพราะการฆาตกรรมก็ได้ ไม่มีความแน่นอนไม่แน่นอนกระทั้งว่าเราไม่รู้เลยว่าระหว่างชาติหน้ากับพรุ่งนี้นี่อันไหนจะมาก่อนนโยม PTSD. ลองคิดดูนะบางทีเราไม่มีทางที่จะบอกได้เลยว่าระหว่างชาติหน้ากับพรุ่งนี้เนี่หรือวันหน้าเนี่ยอันไหนจะมาก่อนสำหรับหลายคนชาติหน้าอาจจะมาก่อนวันพรุ่งนี้ก็ได้หมายความว่า ไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับเขาเพราะว่าอาจจะต้องอหมดลมไปเสียก่อนแล้วก็ไปเข้าสู่ภพภูมิถัดไปหรือว่าที่เราเรียกว่าชาติหน้าไม่มีใครรับประกันได้ว่าวันพรุ่งนี้จะมาถึงก่อนชาติหน้าหรือเปล่า อาตมาก็ไม่สามารถจะรับประกันตัวเองได้เหมือนกันนี่คือความไม่แน่นอนและในเมื่อมันมีความไม่แน่นอนเช่นนี้เนี่ยเราควรจะทําอย่างไรกับมันดีในเมื่อเราไม่สามารถจะหนีมันพ้นคําตอบของพุทธศาสนาก็คือว่า ต้องเตรียมตัวที่จะบันชิกกับมันไม่ใช่หาทางหนีอยู่ตลอดเวลาหรือแกล้งลืมทำทีประหนึ่งว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้คน ดูจะเลือกวิธีหลังแทนที่จะเลือกวิธีแรกตามแนวทางพุทธศาสนาก็คือว่าการเตรียมตัวที่จ ะ, ะเผชิญกับมันเผชิญไม่ใช่เพื่อที่จะหลบหรือสู้กับมันแต่เผชิญเพื่อที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์จะใช้เป็นประโยชน์ยังไงก็จะได้กล่าวต่อไป แต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่หรือวัฒนธรรมของคนในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยจะเลือกใช้วิธีหลังก็คือว่าหาทางหลบหาทางหนีหรือว่าแก้งลืมเพราะฉะนั้นคนในยุค ป, ปัจจุบันจำนวนมากก็เลยอยู่แบบลืมตายอยู่แบบลืมตายคือ ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไม่ได้คิดไม่ได้เผื่อไว้เลยว่าตัวเองจะต้องตายในวันข้างหน้าก็อาจจะเอาแต่สแสวงหาความสนุกสนานหรือว่าเพลิดเพลินในความสุขทางวัตถุหรือว่าอาจจะดีกว่านั้นหน่อยแต่ก็ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฉลาดเท่าใดนักก็คือการสะสมเงินทองทำงานหนักหาเงินหาทองเราวกับว่าจะสามารถที่จะใช้เงินเหล่านั้นไปได้ไม่มีที่สุดหรือสามารถที่จะเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยสมบัติเหล่านั้นเนี่ย ไปใช้ในพบหน้าไปใช้ในชาติหน้าได้คนนี้ปัจจุบันเราพยายามที่จะหลบหนีความตายเลี่ยนกระทั่งว่าไม่อยากพูดถึงมันใครที่พูดเรื่องความตายถือว่าเป็นอัปมงคลหือว่าเป็นลางร้ายเป็นลังไม่ดี แม้กระทั่งคำว่าความตายก็ไม่อยากจะใช้คำนี้ก็เลี่ยงไปว่าหมดลมบ้างจากไปบ้างอาตมาทำโครงกา ร, รเผชิญความตายอย่างสงบทำมาได้เป็นปีที่สามแล้วหลายคนได้ฟังชื่อก็บอกว่าชื่อมันน่ากลัวจังเปลี่ยนชื่อได้ไหม เป็นอะไรสุขมลนาอะไรทำนอง น, นั้นนะ่ะคืออาตมาก็บอกว่าแค่ชื่อยังทำใจไม่ได้ยังรับไม่ได้แล้วจะเตรียมตัวตายได้อย่างสงบได้อย่างไรแม้แต่ชื่อก็ยังยั ง, ย, งยังสังสแลงหูก็เลยยืนยันว่าไม่เปลี่ยนชื่อแหละจะใช้ชื่อนี่แหละใครที่แสแลงหูก็ก็ไม่ต้องมาใครที่ รับได้เก็มามาอบรมกันก็พบว่ามีคนจำนวนหนึ่งก็ไม่แสดงหัวกับคำนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ยังยังยังกลัวคำนี้อยู่แล้วก็เลี่ยงที่จะพูดเรื่องนี้ ท, ท, ทั้งๆที่รอบตัวนั้นเนี่ยมันมีแต่เรื่องความตาย เช่นตามหนังสือพิมพ์ไพร์ลัดเดลิเนีวทุกวันหน้าหนึ่งก็มีเรื่องนี้ในหนังในละครก็มีเรื่องนี้วิดีโอเกมเกมออนไลน์ที่เด็กเล่นก็เป็นเรื่องความตายแต่ว่าเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นความตายที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง เราก็เลยไม่สนใจและกลับถือว่าเป็นเรื่องสนุกซะอีกตอนนี้เนี่ยเมื่อเราในแง่ของชาวพุดธเนี่ยถือว่าในเมื่อเราไม่สามารถจะหลบหนีมันค้นแม้ว่าวิทยาการจะก้าวหน้าแค่ไหนแม้ว่าเราจะยืดอายุไปเพียงใดก็ตาม ก็ไม่มีทางที่เราจะหนีพ้นเพราะฉะนั้นสำรับผู้ที่ฉลาดนะก็ต้องเตรียมที่จะเผชิญกับมันตอนนี้ถ้าเราเผชิญกับมันเนี่ยเริ่มด้วยการพยายามทำความเข้าใจเรื่องความตายเราจะพบว่าที่จริงแล้ว ความตายก็เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆก็คือว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแสิ่งที่น่ากลัวคือความกลัวกลัวตายต่างหากความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะแต่ความกลัวตายต่างหากเป็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่ทาร้ายคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกตัวเราหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา แต่เกิดขึ้นเพราะใจของเราเองอาตมาชอบยกตัวอย่างนะลิงนะที่ที่วัดอาตมานะลิงเนี่ยมันมันไม่ชอบกระปิดมันเกลียกระปิกนะแต่บางทีเราก็บอลิงมันมากลัวเรามา ก, มากเราก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยยัดไส้ กะปิเข้าไปนีลิงมันพอลโยนข้าเหนือให้มันมันก็คว้าแล้วพอมันกัดมันก็ปรากฏว่ามีกะปิอยู่ข้างในเปิดเพื่อนมือลิงมันทํายังไงมันก็ต้องพยายามที่จะถูกะปินะให้ออกถูเสร็จก็จะมาดมดมเสร็จก็ถูใหม่นะมันกระปิมันเหม็นนะแต่ยิ่งเหม็นมันยิ่งดมใช่ไหม แรงนะยิ่งเราเกลีย์เท่าไหรเนี่ยเรายิ่งยิ่งคิดคนที่ด่าเราเนี่ยเราไม่ชอบเลยแต่เรายิ่งคิดคิดนึกถึงคนที่ด่าเราเราโกรแท้ก็ตามแต่ยิ่งนึกถึงคนคนนั้นอันนี้ภาษาภาพเรียกว่าติดยึดนะเราติดยึดแม้กระทั่งสิ่งที่เราเกลียดเราไม่ติดยึดเฉพาะสิ่งที่เราชอบเท่านั้นแ ล, ล้วริมมันก็ถู ถ, ถ, ถูแล้วมันก็จะดมมันถูกับอะไรมันถูกับไม้มันถูกับหินถูไปถูมามันก็จะมีแผลนะแผลก็จะซิบซเลือดก็ออกมา แล้วยิงหูนหนากเข้าเลือด ก, ก็ยิ่งไหลาถามว่าไอ้ที่มันเลือดไหลเนี่ยเพราะกระปีหรือเพราะอะไรกรปีทําไมมันเลือดไหลหรือเปล่านะกรปีทําไมมันเลือดไหลหรือเปล่าหรือเป็นเพราะความเกลียกระปีหลังหักทำให้มันเลือดไหลกรปีทําอะไรมันไม่ได้แต่ความเกลียกระปีหลังหัที่ทําให้มันเลือดไหลทําให้มันมีแผลความตายก็เหมือนกัน ความตายนี่ไม่น่ากลัวแต่ความกลัวตายต่างหากที่ทําให้คนเรานี่เป็นทุกข์คนเป็นเอดเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เลยตายเพราะเอดนะแต่เขาตายเพราะว่าความทุกข์เพราะโรคเอดสความทุกข์ใจเพราะโรคเอดสทุกข์ใจเพราะว่ากลัวทุกข์ใจเพราะว่ากลัวถูกสังคมประนามกลัวถูกคนรังเกียด จิตใจที่เครียดที่กังวลมันไปทำร้ายชีวิตมันไปทำร้ายร่างกายของเขาก่อนที่โรค ก, ก่อนที่เชื้อ HIV จะทำร้ายเขาซะอีกบ่อยครั้งเนี่ยนะใจของเราเองต่างหากนะที่สร้างปัญหา บางคนเนี่ยไปหาหมอหมอตรวจหมอเช็ค ก, ก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจพอหมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจเท่านั้นแหละสุดเลยนะแต่พอไปหาหมออีกคนนึงหมอบอกว่าตรวจแล้วก็บอกว่าคุณไม่มีอะไรหรอกหัวใจคุณปกติเพียงแต่ว่าการเต้นของหัวใจคุณเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่ โดยสภาวะของคุณแล้วนี่มันปกติพอรู้เท่านั้นแหละนะก็เดินเหินไปไหนได้ดนั้นใจของคนเราเนี่ยนะมันเป็นเรื่องสำคัญทังความตายก็เช่นเดียวกันความตายจริงเราไม่น่ากลัวแต่ความกลัวตายต่างหากนะที่ทำให้คนเราเนี่ยทุกข์และทำไมเราถึงกลัวตายเพราะเราไม่เข้าใจมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อมาดามคูรีนะ หลายคนอนาะจะเคยได้ได้ยิ น, ไ ด, ยนได้เรียนตอนเป็นนักเรียนแกเป็นผู้หญคนแรกที่ได้รางวัลโนเบลสาขาสองครั้งด้วย ค, ครั้งแรกที่ศิษย์ครั้งที่สเคมีแกบอกว่าน่าสนใจบอกว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทําความเข้าใจความตายก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ต้องทําความเข้าใจถ้าเราเข้าใจเรื่องความตายดีพอเราเข้าใจว่าความตายนั้นเนี่ย ไม่ใช่สิ่งที่จะทําร้ายเราอย่างเดียวเท่านั้นส่วนใหญ่เรามอความตายเป็นวิกฤตเพราะเรามองความตายแต่ในแง่ของร่างกายคือว่าคนเราเมื่อใกล้ความตายแล้วเนี่ยก็จะก็จะทุรนทุรายเพราะว่า ความตายแล้วเนี่ยมันหมายถึงการแตกดับการแตกสลายของธาตุดินน้ำลมไฟมันหมายหมายถึงการความเสื่อมสลายของอวัยวะต่างๆอันนั้นถูกแต่เราอย่าลืมว่าคนเรานั้นมีทั้งร่างกายและจิตใจในแง่ของร่างกายเนี่ยความตายจะเป็นวิกฤตทางกายแต่ว่าทางใจในความตายอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ เช่นเียกับโรค ล, ลายหลายๆคนเนี่ยขาพบว่าเมื่อเขาชีเขาเขาเป็นโรคเป็นโรคลายเป็นโรคมะเร็งหลายคนบอกว่าชีวิตเขามีความสุขมากกว่าช่วงที่เขาเคยมีร่างกายปกติใ่ออกเสื้อใส่อีกคนที่พูดช น, นี้ไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ี่นะเด็กๆ ก, ก็พูด เด็กบางคนนี่เปยน2สิบสองยี่องสิบสามย่ิบสี่กบอกว่าช่วงนี้แกมีความสุขมากที่สุดก็คือช่วงที่ป่วยเป็นมะเร็งเพราะว่าได้เป็นได้ไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ได้เป็นโอกาสที่ทำให้มาปฏิบัติธรรมเราก็ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่เพราะว่าตอนปกติเนี่ยก็ อย่าที่คนอย่างที่เราก็รู้จักรู้กันดีว่าคนกรุงเทพนเนี่ยก็พ่อแม่ลูกก็ไม่ค่อยได้สนิทสนมกันเท่าไหร่ไม่ค่อได้มีเวลาให้กันเท่าไหร่แต่พอลูกป่วยเนี่ยพ่อแม่ก็ลาออกจากงานมาดูแลลูกลูกก็บอกว่าช่วงที่เขาเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นช่วงที่เขามีความสุขมากแต่เดกคนที่พูดนี้ก็เด็วนี้ก็จากไปแล้วตายไปแล้วแต่ว่าเขาก็ได้ได้สร้างความประทับความประทับใจให้แก่พ่อแม่ว่า ไอ้ความไอ้โร้รายนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เร็ว้ายเสมอไปหลายคนเนี่ยได้พบความสงบในยามที่ชีวิตเนี่ยใกล้จะหมดลมหลายคนเมื่อรู้ว่าจะใกล้ใกล้จะตายนะก็ละวางงานการ ทเคยทำอย่างพยุบุแคมอันมาเข้าหาธรรมะแล้วได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับชีวิตได้รู้จักการได้เข้าใจความจริงของชีวิตแล้วก็รู้จักปล่อยวางได้ในสมัยพู้จการเนี่ยจะมีคนทำนองนี้เยอะมากที่บรรลุธรรมได้ไม่ใช่ในช่วงที่ ยังมีร่างกายปกติแต่ช่วงที่อาการสุดหนักในสาวพุธการก็มีอุบาสกเช่นทีคาวุอุบาสกปนะ่วยหนักพระพเจ้าก็มาสแสดงธรรมก็มาแนะให้วางใจให้ถูกเริ่มด้วยการให้มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็ให้มีความมั่นใจในศีลคือความดีที่ตัวเองได้ทำล้วจันั้นพระองค์ก็นแน่ให้ใหปล่อยวางปล่อยวางครอบครัวปล่อยวางทรัพย์สินหรือว่าการความสุขที่เกิดจา ก, กรูปโลกินเสียงสัมผัสปล่อยวางแม้กระทั่งสวรรค์คือไม่คิดที่จะไปสวรรค์ ปล่อยวางเป็นลำดับลำดับก็ปรากฏว่าพอหมดลมเนี่ยก็ได้ไปเป็นพระอนาคามีบางรูปเนี่ยพระบางรูปเนี่ยนะก็ป่วยแบบที่เรียกว่านอนกองอุตลปะปัสวะกลางออนอนกลาง จมถึ่ข้เกลางสือบุจาปัสสาวะเพราะว่ามีแผลเต็มตัวไม่มีใครที่จะดูแลขยับไปไหนไม่ได้พระพุทธองค์ก็มามารักษามาเช็ดตัวนะมาทำความสะอาดจีวรสบงจนกระทั่งร่างกายก็เริ่มปลอดโปร่งขึ้นดีขึ้น อาการยุขหนักนะแต่ว่าใจก็เริ่มผ่องใสพอพระองค์แนะธรรมะสั้นๆ น, นะว่าร่างกายนี่นะเมื่อตายแล้วปราศจากวิญญาณก็เปลี่ยนเหมือนกับท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้ที่เราเรียกว่าบางสุขุลเป็นนะนะภาษาพาระละมัาางสุกุลเป็นอคติลังวติยังไกรโยนละงสุกุลตายก็ อ, อนิจจาวัตสังขาราแต่พระองค์ แสดงธรรมซึ่งเป็นที่มาของคว่าบางสกุลเป็นร่างกายเราเมื่อตายแล้วเมื่อวิญญาณออกจากร่างก็เหมือนกับท่อนไม้ที่หาประโยชน์นม้ได้ท่านพิจารณาตามก็บรรลุธรรมเป็นพระ อ, อรหันต์เป็นพระ อ, อรหันต์ในขณะที่หมดลมพอดีในพระไตปรปิฎกจะมีเรื่องราวของคนที่ บรรลุธรรมในขณะที่กําลังจะตายในขณะที่กําลังจะหมดลมถ้าเหล่านั้นเนี่ยตอนที่ร่างกายปกติก็ไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงอะไรแต่พอใกล้าตายเนี่ ย, ยก็เป็นโอกาสอาจารย์พุทธทาสเรียกเรียกว่าในนะในภาวะที่ใกล้จะตายนี่ว่านาทีทองนาทีทอง หมายถึงว่าเป็นนาทีที่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหรือมองไม่เห็นก็ไปนึกว่าความตายนี่มันน่ากลัวอย่างเดียวความตายนี่มันแย่ความตายนี่มันเร็วเป็นวิกฤติอย่างเดียวแต่ทางพุทธศาสนาเห็นว่าในภาวะที่ใกล้จะตายเนี่ย โอกาสดีในการที่จะทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนจิตใจนี้เปลี่ยนที่พูดนี้ไม่ได้ไหมายเฉพาะเฉพาะช่วงที่กำลังจะหมดลมเท่านั้นนะแต่ต้องเรียกว่าในช่วงที่เราเรียกว่าภาวะใกล้ตายล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราเข้าใจเนี่ยถ้าเราเข้าใจ เราก็จะกลัวความตายน้อยลงและยิ่งถ้าเราได้รู้จักได้สัมผัสกับคนที่เขาเผชิญความตายด้วยความพร้อมได้เห็นคนใกล้าตายเขารักษาใจอย่างสงบได้เห็นแม้กระทั่งคนที่เมื่อกำลังจะตายหรือขณะที่กาลังจะตายนี่ก็ไปอย่างสงบเนี่ยอาตมาเชื่อว่า จะเข้าใจในสุขที่อัตมาพูดเรื่องราวที่กล่าวในพระไตรปิฎกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลจากชีวิตจริงของเราในชีวิตประจำวันเราก็อาจจะได้พบได้ยินเรื่องราวของคนซึ่งเขาสามารถจะจากไปงสงบได้ทั้งๆ ท, งที่น่าจะทุรนทุราย ทั้งที่ถูกเกาะกลุ่มเกาะตัดกินด้วยโรคลายอย่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่สาวของเพื่อ น, นตอมาคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็แต่ว่าตอนที่ตอนแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมีโรคแทรกเข้ามาก็คือว่าไตนี่จะวายเนื่อท่อน้ำดีเนี่ยอุดตันแล้วก็มันก็ทำให้พิษเนี่ยแพร่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย ไตก็จะใจไตก็ทำงานไม่ได้แล้วก็จะวายโยงคนนี้เนี่ยเมื่อตอนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็พยายามรักษาตนด้วยชีวิตจิตบ้างด้วยการทำสมาธิภาวนา บ, บ, บ้างด้วยการทำธรรมชาติบำบัดบ้างแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธการแพทย์ทีเดียว แต่เมื่อรู้ว่าอาการหนักขึ้นแล้วเรื่อยๆแล้วก็พอมามีปัญหาโรคแทรกตรงนี้เนี่ยโยมคนนี้ก็เลยบอกว่าขอกลับบ้านแนละ้วไม่ขอรับการรักษาเพราะว่ารักษาอย่างไงก็คงจะไม่ทําให้ชีวิตยืนยาวขึ้นไปกว่าเดิมและที่สำคัญก็คือว่ามันทําให้ยิ่งรักษาก็ยิ่งเจ็บยิ่งปวด ยองคนนี้เชื่อว่าคนเรานี่สามารถจะตา ย, ยางสงบได้ก็บอกว่าขอขอไปขอไปรักษาตัวที่บ้านหมอก็เป็นห่วงว่าถ้าเจอโรคแทรแบบนี้เนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยในท้ายที่สุด7จ็วันวันเนี่ยก็จะมีอาการ2 อ, อย่างคือทาไมเพ้อคุ้มคลั่งก็ไม่รู้สึกตัว นะหรือว่าโคมา่าแต่ปรกว่าในช่วงเจ็ดวันนี้โยงคนนี้เนี่ ย, ยเ้ยเารู้สึกตัวต้องเรว่บเกือบจะตลอดนะเพราะว่าได้เตรียมตัวมาก่อนญาติพี่น้องก็เข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือเพราะญาติพี่น้องก็มีความเชื่อว่าคนเรานั้นเนี่ย แม้จะเจ็บปวดหนักแค่ไหนก็สามารถจะจากไปอย่างสงบได้ซึ่งตรงข้ามกับความเชื่อทางของหมอว่ายากอาการนี้ต้องเพิ่งคลั่งทุรนทุรายแล้วก็หรือไม่ก็หมดสติไปเลยเบอลอแต่ปรากฏว่ายงคนนี้เนี่ยนะตลอด7วันเนี่ยนะก็ได้มีการทำสมาธิที่น้องพ่อแม่ พี่น้องแล้วก็หลานลานก็มาร่วมกันสวดมนต์แล้วก็มีการชักชวนให้ทำบุญเช่นถวายสังฆทานอันนี้ทำประจำอยู่แล้วมีการชักชวนเชนิญชวนให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รละลือกถึงพระรัตนตรัย ให้น้อมใจนึกถึงสิ่งที่ดีงามที่ตัวงนับถือแล้วก็นำใจให้ให้ปล่อยวางขออโหสิกรรมสิ่งต่างๆเพื่อคือว่ามีการช่วยในเรื่องของจิตใจโดยตลอดวันสุดท้ายเนี่ยประมาณเที่ยงเนี่ย เจ้าตัวนี้ก็ยังบอกว่ายังหิวเลยบอกขอกินอาหารสักหน่อยแต่พอกินไม่ได้คำสองคำก็ก็พอแนละ้วแล้วก็พี่น้องก็ที่อยู่รอบเตียงก็สวดมนต์ให้คนะาถาสั้นๆแต่พันจบเป็นคาถาของจีนเกี่ยวกับอมิตาภะพระอมิตาภ พ, พุทธะ สวดไปปรากฏว่าประมาณบ่ายโมงเจ้าตัวก็ยังรู้สึกตัวแม่มาแม่ถามก็ก็สถาการตอบรับได้เสร็จแล้วก็หมดลมไปตอนไหนก็ไม่รู้ในขณะที่กำลังสวดอยู่นั่นแหละจกนกระทั่งมีคนสงสัยว่าเอ๊ะเห็นเงียบไปก็ เ, ปเลยเช็คชื่อประจร์เช็คลมหายใจก็ปรากฏว่าหมดลมไปซะแล้ว บอว่ารู้ตัวจนกระทั่งเกือบจะชั่วโมงสุดท้ายหรือว่าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วไปอย่างสงบมากซึ่งตรงข้ามกับการคาดการของหมอและการจากไปอย่างสงบนี้เนี่ยจริงอยู่เราเราคงจะบอกไม่ได้ว่าผู้ป่วยนั้นเนี่ยได้ยกระดับจิตใจไปสู่ขั้นไหนแต่ว่า การที่จากไปอย่างสงบอย่างนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มีค่ามีความสำคัญมากเพราะว่าการที่คนเราจะจากไปอย่างสงบเป็นเรื่องที่ยากมากในยุค ป, ปัจจุบันและมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะซื้อได้และถึงที่สุดแล้วคนเราก็ต้องการแค่นั้นแหละไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะเป็นมีอำนาจมีชื่อเสียงแค่ไหนก็ตาม มันไม่มีความหมายเลยถ้าหากว่าในวันสุดท้ายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุรนทุรายไม่มีความหมายเลยนะไม่ไม่มีความหมายเลยถ้าหากว่าไม่ว่าจะรวยแค่ไหนมีเงินกี่พันล้านหมื่นล้านแต่ถึงเวลาแตา่แต่ถึงเวลาจะตายเนี่ยทุรนทุรายโดยที่ สิ่งที่มีอยู่นั้นเนี่ยก็ทรัพย์สินที่มีอยู่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้ครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงหลวงูงง ด, ดุลหลวงกู ด, ดุลได้ไปเยี่ยมพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้เท่าแต่พรรษาน้อยกว่า ผู้เท่าพระพระเถระท่านนั้นเนี่ยพอเห็นลุกปูดึงก็ก็ลุกขึ้นมากราบแต่ว่าลูกปูดึงก็ก็ห้ามไว้แล้วก็อยู่ในอาการสงบทั้งสองท่านเสรจล้ลุงูดึงก็บอกว่าทั้งหมดที่เราปฏิบัติทำมาเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยก็เพื่อตอนนี้เท่านั้นแหละ ทั้งหมดที่เราปฏิบัติทำมาทั้งชีวิตนี้ก็เพื่อตอนนี้ทั้งนั้นแหละคำพูดนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่เหมาะสาหรับพระเท่านั้นแต่เหมาะสาหรับเป็นความจริงสําหรับคนเราคารวาด้วยเพราะว่าจะว่าไปคนเราใช้ชีวิตมาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายมันก็มาพิสูจน์กันตรงนี้แหละในตอนที่ใกล้จะใกล้จะหมดลมว่าเราได้พร้อมแค่ไหนเราได้ใช้ชีวิตเราได้เตรียมพร้อม เราได้ใช้ชีวิตตลอดทั้งชีวิตมาเพื่อพร้อมสำหรับวาระสุดท้ายอันนี้หรือเปล่าอาจายมอยากจะเรียกว่าความตายนี่เป็นบททดสอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตในช่วงคนเราเนี่ยเราสอบหลายครั้งสอบสอบไล่ สอบเข้าทำงานสอบเพื่อที่ได้ปริญญาสอบใบขับขี่แต่สอบเหล่านี้เนี่ยมันเดิมพัน์มันต้องเรียกว่าเทียบไม่ได้เลยกับบททดสอบบททดสอบที่สงคัญที่สุดในชีวิตที่เรียกว่าความตายเดิมพันธ์มันต่างกันเยอะมาก และสอบเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเนี่ยเราตกเราสอบใหม่ได้ใชฮะสอบเป็นทรานสอบไม่ได้สอบใหม่ได้สอบสมัครงานสอบตกสอบใหม่ได้แต่ว่าบททดสอบขอที่สําคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยคือความตายเนี่ยถ้าสอบตกแล้วสอบใหม่ไม่ได้นะฮะ มีได้ครั้งเดียวแล้วตกแล้วมารู้ไปไหนไม่รู้จะไปไปสู่อบายภูมิพบภูมิไหน mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้ตนกันนะั้ mm. ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยถ้าเรารู้ถ้าเรารู้จักความตายดีพอแล้วเรารู้ว่าจะตายอย่างไร เราก็จะรู้ว่าเราควรใช้ชีวิตยอย่างไรด้วยคนเราทุกวันนี้เนี่ยใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเพราะไม่รู้ว่าจะว่าจะต้องว่าควรจะตายอย่างไรถ้าเรารู้ว่าเราควรจะตายอย่างไรหรือเรารู้จักวิธีตายอย่างถูกต้องเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิต อย่างถูกต้องได้เริ่มต้นด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตด้วยวาการเห็นคุณค่าของเวลาแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปใช้ชีวิตด้วยการพยายามทำความดีเพราะถ้าเราทำความดีไว้แล้วเนี่ย ความดีไม่เพียงจะจะทำให้เราเป็นสุขในขณะที่เรามีชีวิตปกติเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถจะช่วยให้เราสามารถที่จะประคองจิตรักษาใจให้เป็นปกติหรือให้เป็นกุศลได้เมื่อเรา เผชิญกับความตายถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำความดีหรือว่าไม่ประกอบความดีไปเฉยเลยนอกจากเราจะทุกข์เพราะว่าถูกตำรวจเพราะว่าถูก คนรอบข้างเขาลังเกียจหรือเข้าลงโทษหรือไม่ประสบความเจริญในชีวิตแล้วเนี่ยในยามที่ใกล้ตายเนี่ยก็จะก็จะทุรนทุรายสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งที่ภาษาพุทธศาสน า, า, าเรียกว่ากรรมนิมิตคือนิมิต ที่เกิดจากการกระทำแนดีมันก็จะเข้ามาคุกคามเช่นใครที่ำทำทาทำไม่ดีเอาไว้นะพอพอใกล้ใกล้จะตายนะสิ่งเหล่านั้นก็จะเข้ามาหลอกล่อนมงทีมันมาหลอกล้อตั้งแต่ก่อนจะตายด้วยซ้ำอย่างเมื่อเมื่อสัก เมื่อสักได้กี่เดือนมานี้เนี่ยอัตมาก็ไ ด, ได้ได้ข่าวมีคนหนึ่งเนี่ยแกแกตื่นขึ้นมาและพบว่าลูกชายเนี่ยถูกเชือดคอจนตายแกก็กล่าวหาว่าเมื่อคืนเนี่ยคืนก่อนหน้านี้ คุยกินกินเหล้ากับกับเพื่อนนะแล้วแล้วก็ลูกร้องก็เลยบอกให้เพื่อนเนี่ยไปช่วยดูดูเด็กหน่อยเด็กลูกเพื่อนเข้าไปในบ้านเด็กก็เงียบเสียงไปแล้วก็เพื่อนก็กลับมากินเหล้าต่อเพืก็เลยบอกให้ตำรวจเนี่ยไปจับนะเพื่อนคนนี้แหละเพราะว่าสงสายเพื่อนคนนี้นจะฆ่าเด็กแต่ว่าพอสอบไปสอบมากินประวัติไม่ใช่ ฆาตกรก็คือพ่อนั่นแหละในสุดพ่อก็สารภาพบอกว่าในตอนที่หลับเนี่ยมันเกิดละเมอแล้วก็ฝันไปนึกว่าเนื่องจากตัวเองมีอาชีพเป็นคนฆ่าไก่ในช่วงที่กินเหล้ากินเหล้าตอนกลคืนแล้วก็แล้วก็ตอนหลับตอนหลับไปก็ เหมือนกับมีภาพร้อนว่าลูกนี่แหละคือไก่เนื่องจากตัวเองเนี่ยท่าไก่อยู่ประจำก็เล ย, เยก็เลยไปไปทำร้ายลูกที่จริงอันนี้มันก็กรรมก็ไม่ร้าจะตกกับลูกนะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันชีอเห็นว่าคนเราเมื่อเราทาอะไรก็ตามเนี่ยซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยกุศลก็ตามอกุศลก็ตามเนี่ยมันก็จะไป สามารถที่จะไปทำให้ความคิดจิตใจของเราเนี่ยฟั่นเฟือนได้โดยเพราะเมื่อเราทำสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นประจำนี่ขนาดยังเป็นปกตินะยิ่งในยามใกล้าตายเนี่ยยามที่สติเราอ่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ความฟั่นเฟือนเนี่ยยิ่งรุนแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ตัวเองเ ป, นปน็นทุกข์ในทางวทาศาสนานเนี่ย หรือว่าอสัณกรรมคือกรรมใกล้ตายกรรมจวนเกียนเนี่ยคือกรรมในรัตสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากสําหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยกรรมอสัณณกรรมนี่จะส่งผลก่อนว่าจะไปเกิดว่าจะไปอยู่ในภพภูมิไหนอสัณกรรมเนี่ยคือกรรมสุดท้ายก่อนตายเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวส่งผลก่อนพูะเจ้าก็เปลี่ยนมันกับว่าเหมือนกับวัวซึ่ง ถูกขังอยู่ในข้อวัวเวลาเปิดประตูข้อขึ้นมาเนี่ยเปิดประตูข้อเนี่ยหรือตรงเนี่ยไอ้วัวที่มันอยู่ติดกับประตูเนี่ยก็จะออกมาก่อ น, นถ้าเรารู้ถ้าเราตลาหตรงนี้เนี่ยเราก็จะพยายามทํากรรมดีเอาไว้ทําความดีเอาไว้แต่ถ้าไม่พอนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ย ทำความดีก็ตามแต่เวลาเจอประสบความพัดภาคสูญเสียแล้วก็ตั้งตัวไม่ติดบางทีช่วงคนเราเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนกับกระแสน้ำเนี่ยที่เราเห็นตรงข้างหลังภาพออกมาเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆเ ช, ๆชยๆเสร็จแล้วอยู่ดีมันก็ตกฟู่ลงมาที่เราเรียกว่าเจอครอกรรมอาจจะเป็นครอบกรรมที่เกิดกับเราเองหรือเกิดผู้อื่น คนล้มหายตายจากไปหรือว่าประสบโรคประสบภัยได้ข่าวร้ายว่าเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งคนเราเมื่อเจอข่าวว่าเช่นนี้ก็ตั้งตัวไม่ติดหรือยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องตัวเองจะประสบเคราะห์ร้ายหรือว่าประสบความตายเพียงแค่ได้ข่าวก็ตั้งตัวไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านก็ให้แนะว่าท่านก็แนะว่าจะต้องมีพิจารณามรณะสติเสมอพิจารณาความตายอยู่เสมอว่าความตายนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นกับคนรอบของเราเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นพิจารณาเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้จิตใจผดผู่เศร้าหมองแต่พิจารณาเพื่อเราจะได้ตราหนักว่าเพื่อเราได้ถามต่อไปว่า แล้วเราได้ทำความดีเราได้เตรียมพร้อมแล้วหรื อ, อยังมองนสติทำให้เราได้ตระหนักว่าในขาะที่เรายังมีเวลาอยู่นั้นเนี่ยเราอย่าประมาทในขาะที่เรายมีสุขภาพดีอยู่เราอย่าประมาทอย่าประมาทในวัอยอย่าประมาทในความสุขอย่าประมาทในเวลาไอเร่ง ผลไถทํ า, วาทความดีหรือทำสิ่งที่ควรทําในขณะที่คนรักยังอยู่กับเราพ่อแม่ยังอยู่กับเราสามีลูกภรรยายังอยู่กับเราให้รู้จักทราบซึ้งกับโอกาสเช่นนั้นแล้วก็พยายามที่จะเตรียมพร้อมสําหรับความพัดพราดที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านี่สำหรับพิจารณาโ ม, ส, มสติเสมออยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน เมื่อเราคุ้นเคยเราก็จะสามารถที่รับมือต่อความพลัดพาดสูญเสียได้จิตประการที่สองนะหนึ่งทำความดูสองพิจารณารรัมารักสติเสมอสามถ้าทีานี้ยัง้นก็พยายามเจริญสมาธิภาวนาโดยเพาะสติปัฐานรักษาใจให้มีสติตลอดเวลา เพราะว่าสตินี่แหละจะช่วยรักษาใจของเราในยามที่เกิดวิกฤตได้คนเราเมื่อเกิดวิกฤตเมื่อเกิดข้อกรำเนี่ยเราทุกเราทรมานเพราะว่าเราไม่มีสติที่จริงมีสติอยู่แล้วแตวนน่สติที่เรามีเนี่ยในชีวิตประจําวันมันไม่พอสติที่เรามีเนี่ยพอที่ทําให้เราดำเนินชีวิตประจําวันได้ตามปกติแต่พอเราเกิดวิกฤตขึ้นมาเกิดความสูญเสียเกิดความพึ่บพาขึ้นมาเนี่ย เราทรงใจไว้ไม่อยู่เราจมเข้าไปในความทุกข์จมเข้าไปในความโกรธจมเข้าไปในความเศร้าหมองเพราะไม่มีสติ เ, เพื่อรักษาใจและขนาดความสูญเสียพลาดพลาดในชีวิตประจําวันเรายังทรงใจไว้ไม่อยู่และพอถึงเวลาเราจะตายซึ่งเป็นอันซึ่งเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดที่คนคนหนึ่งจะประชิญจะจะประสบได้ แล้วเราจะสรงใจไว้อย่างไรถ้าเรามีสติและเรามีปัญญาประกอบ ด, ด้วยตรนหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตเราก็จะวางใจได้เราก็จะทำใจได้และเราควรจะถือโอกาสที่เราประสบความพลาพสูญเสียนั้นเนี่ยเป็นโอกาสในการที่จะฝึกฝนจิตใจให้มีสติและปัญญา คนเราเ ม, เมื่อประสบความพลาดพาดสูญเสียก็จะทุกเงินหายรถรถถูกชนหรือว่าถูกตําหนิต่อว่าคนเราก็มักจะทุกแต่ถ้าเราลองคิดสัหน่อยว่าแค่นี้ก็ยังทุกแล้วเราเจอความตายความความตายความพลาดพลาด ของเราเองหรือของคนที่เรารับแล้วเราจะเราจ ะ, าจะไหวหรือเมื่อคิดชนิดได้เราก็อาจจะได้ตั้งสติว่าเออความพลาดพลาดสูญเสียเงินหายความไม่สมหวังในชีวิตในการทํางานอันนี้เนี่ยมาเป็นเครื่องสุดใจเราให้มีสติให้มีปัญญาให้รู้ทอดทางในความสูญเสีย แลวพอเราเจอความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่กว่า น, นั้นเราก็จะทำใจได้มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งมันไม่เกี่ยวข้งของกับความตายโดยตรงนะแต่ว่าเป็นประโยชน์เชื่อมโยงกันได้คือมีคนหนึงเนี่ยแกทำโทรศัพท์มือถือหายแล้วเพิ่งซื้อมาใหม่ราคาแพงด้วยเกือบ2 0 0 0มืเสียใจมากนอนไม่หลับวันรุ่งขึ้นก็ไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งซึ่งได้ข่าวว่านั่งทางใน เก่งจะไปให้หลวงพ่อช่วยช่วยดูทางไหนให้หน่อยว่าโทรศัพท์หายไปที่ไหนแคลไปมีชักมีทางจะได้คืนไหมไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้ถามว่าว่าโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรหายที่ไหนแต่ถามว่ามีทองไหมแต่ว่ามีครับ หลว่ว่ า, วาเออไม่นานก็หายมีรถไหมมีครับไม่นานก็หายมีแซนไหมมีครับไม่นานก็ไปเราเ็เจออะกลาบลงข้อเลยแล้วก็ออกจากวัดไปเลยทำไมถึงออกจากวัดนะไม่ใช่วัวถูกแช่งนะแต่ได้สติขึ้นมาได้สติขึ้นมาว่า โทรศัพท์หายนี่ยังเบานะยังต้องเจอหายหลายอย่างก็หลวงพ่อคำถามหลวงพ่อก็ทําให้เขาเกิดปัญญาว่าความพลาดพลาดสูญเสียเรื่องธรรมดาเัื่ถ้าเราลองใช้โอกาสนี้เนี่ยเมื่อเราเมื่อเราเมื่อโทรศัพท์มือถือของเราหายเมื่อเงินเราหายเมื่อรถเราเสียคอมพิวเตอร์เราพังเสียใจบ้าง ไม่เป็นไรแต่อย่าเสียใจนานให้ตั้งสติว่าเออนี่คือสิ่งที่มาเตือนเราให้ตระหนักว่าสิ่งที่กลวมันไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรที่อยู่กับเราไปได้ตลอดถ้าเขาไม่จากไปจากเราเราก็เป็นฝ่ายจากไปจากเขาถ้าเราทำใจอย่างนี้เราก็จะเกิดปัญญาได้สติ เนี่ยเราพิจารณาเนี่ยนะการพิจารณานี่ก็ช่วยทําให้เราเนี่ยเกิดทั้งสติและปัญญาจนกันทั่งและถ้าเรายิ่งเจริญสมาธิภาวนาอยู่เสมอเห็นความไม่เที่ยงของความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่ตามลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือในขณะที่เจริญกรรมฐานก็ดีเห็นความไม่เที่ยงของความรู้สึกนึกคิดเนนนาาห็เออกกหนความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นกับอิเลียบทต่างๆเราเข้าใจในเรื่องของ ความความความไม่แน่นอนก็จะทำให้เราเนี่ยมีสติและปัญญาที่จะไปเผชิญกับวิกฤตการต่างๆพ้อกรรมต่างๆรวมแม้กระทั่งความตายได้อัตมาก็กลืนนำที่นี่เรียกว่าจริงแค่กลืนนำนะฮะแต่ว่าเพราะยังไม่ได้ยังไม่ได ใช้เอาพอยต์เลยนะแต่คิดว่าอเอาตรงนี้ก่อนไม่ทราบมีท่านใดสงสัยเลยนะฮะหรือว่าอยากจะสักถามอะไร ถ้าไม่มีก็หรือจะถามตอนท้ายๆก็ได้อาตมาจะเข้าสู่ปฏิปะเด็นหนึ่งนะซึ่งเกี่ยวข้องกันก็คือว่าปัญหาของคนในปัจจุบันก็คือการที่ต้องต้องเผชิญ ก, กับความเจอความป่วยของคนรักนะ ในปัจจุบันนี้เนี่ยคนในเมืองไทยประมาณ 80-90% เาเอวลานี้นนไม่ได้ตายที่บ้า น, นแต่ตายที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้ตายแบบกระทำถานด้วย<ม>ก็จะเกิดปัญหากับหลายคนว่าเราจะทำอย่างไรดีในการช่วยเหลือในการดูแล คนรักของเรานะซึ่งเขาเขาเจ็บป่วยเาจมาเชื่อในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องรู้จักหรือมีเพื่อนหรือมีผู้ใหญ่ที่กำลังป่วยหนักและส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่รู้ว่า จะทำอย่างไรดีเนี่ยกับกับผู้ป่วยเหล่านั้นอย่างมากก็เพียงแค่ไปเยี่ยมหรือว่าหาเงินมาช่วยการรักษาพยาบาลแต่ที่จริงแล้วเนี่ย เราแต่ละคนเนี่ยยังสามารถจะทำอะไรได้อีกมากมายในการที่จะช่วยเหลือท่านเหล่านั้นและวิธีการช่วยเหลือท่านเหล่านั้นเนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นประโยชน์สาหรับเราเองเพราะว่าในที่สุดเราก็มีนายโน้มที่จะต้องไปอยู่ในสภาพเช่นนั้นการที่เราไปเยี่ยมผู้ป่วยก็ดี อยู่แม้ทังการที่เราไปงานศพก็ดีเนี่ยมันเป็นโอกาสในการ เ, เตือนสติและสร้างปัญญาให้เกิดขึด้นกับเราเพื่อที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตในเรื่องของความไม่เที่ยงแต่ว่านอกจากเราจะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วเนี่ยเราแต่ละคนก็ยังสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ก็กำลังประสบกับ ความเจ็บป่วยได้ที่อาตมาก็จะจะจะจ ะ, จะฉายให้ดูเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะสุดท้ายนะซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังมีคนรักหรือว่าผู้ใกล้ชิดกำลังเจ็บป่วยอยู่ส่วนใหญ่เนี่ย เราก็มาคิดว่าเมื่อเจอคนคนเจ็บป่วยเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของหมอและพยาบาลทนั้นที่ช่วยเขาได้ส่วนเราซึ่งเป็นคนธรรมดาก็ทำอะไรไม่ได้แต่ที่จริงเราทำได้เยอะนะเราสามารถช่วยให้เขาเนี่ยประสบกับ ผสมกับความอบอุ่นทางใจเพราะว่าคนที่เจ็บป่วยเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยกายอย่างเดียวเขาป่วยใจด้วยเขาป่วยใจเพราะว่าเขากลัวเขากลัวความเจ็บปวดเขากลัวความไม่แน่นอนเขากลัวว่าเขาจะถูกทอดทิ้งเมื่อถึงเมือ่อเมื่อเขาอาการหนักเขากลัวเขาจะเป็นภาราแก่ยาพินน้องเขากลัวว่าเขาจะโดดเดี่ยวเขากลัวว่เมื่อเมืวลาเขาตาย หรือท้องทุรนทุรไลยจะไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเขาอาจจะเป็นกลางดึกหรืออะไรก็แล้วแต่ความกลัวความอาการทางจิตใจเหล่านี้นมันทำร้ายหรือว่ามันบั่นทอนทำให้เขาอากาศสุดหนับไม่น้อยไปกว่าที่เกิดจากโรคภัยทางกาย อนุภาพ ว, ว่าการให้ความรักแก่แก่ผู้ป่ัวเนี่ยนะมันช่วยได้มากให้ความรักทําให้เขาเกิดความอบอุ่นใจนะเพราะความรักนี่มันช่วยบรรเทาความกลัวได้เมื่อขามั่นใจว่าจะมีคนอยู่ใกล้เขาไม่เห็นเขาเป็นภาระเก็จะมีความอบอุ่นใจแล้วเขาจะความกลัวก็จะบรรเทาเบาบางไป ความอดทนหมดกลั้นของญาติพี่น้องของผู้ของของครอบครัวของญาติมีสําคัญมากเพราะว่าคนที่เขาเจ็บป่วยนีย่เขาอาจจะมีความเครียดเขาอาจจะมีความกลัวเขาอาจจะมีความหงุดหงิดง่ายแล้วเขาก็อาจจะทดสอบเราด้วยว่าเราเนี่ยใส่ใจเขาจริงหรือเปล่า บางทีก็ไม่ต่างจากเด็กกันนะเด็กบางทีก็อยากจะทดสอบหรื อ, อทดสอบความรักของพ่อแม่หรือบางทีก็เรียกร้องอความรักจากพ่อแม่เพื่อให้เกิดความมั่นใจงั้นผู้ที่ดูแลก็มีความอดทนเหนือกล้าบางครั้ ง, นะ ง, งเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรกับเขาดีก็ไม่สำคัญนะเราไม่จาเป็นต้องสรรหาคำพูดที่ไพเราะที่ทราบซึ้นประทับใจซึ่งบางทีมันอจจะเป็นแค่แค่การปรุงแต่งเราพบว่าการสัมผัสผูสผ้ป่วยนุ่มนวเนี่ยสัมผัสที่ที่แขนเขาลาตัวเขา ที่หน้าภากเบาๆบางทีภาษากายนี่มันสื่อไปได้เยอะสื่อถึงความรู้สึกในจิตใจของเราได้และยิ่งถ้าเรารู้วิธีที่จะนวดนะนวดอย่างเบาๆก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่การนวดนะเบาๆหรือการช่วยนะช่วยให้เขาช่วยนำให้เขาผ่อนคลาย เริ่มจากปลายเท้าขึ้นมาบางทีมันสามารถทำให้เขาสงบลงได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยเรื่องนี้เนี่ย ม, มันเป็นความสามารถขอ ง, ของใจเรานะ ท, ที่บางครั้งเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะความเจ็บปวดได้ ที่ที่ขอนแก่นยังมีเด็กคนหนึ่งอายุสี่ขวบแกเป็นแกเป็นมะเร็งแล้วก็วันสุดท้ายนี่แกแกทุรนทุลายมากพยาบาลเนี่ยซึ่งไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องสมาธิอะไรเลยแต่รู้วิธีที่จะรู้วิธีที่จะจะคุยกับเด็กอยู่กับเด็กมานานก็รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ย ชอบอุลตร้าแมนจอุลตร้ตราแมนฮะเด็กพยาบาลก็พูดนำให้เขาให้เด็กเนี่ยนึกตามอันนี้เรียกว่านำจินตนาการว่าว่าพี่เนี่ยจะพาหนูไปซื้ออุลตร้าแมนนะแล้วก็เล่าว่าจะพานะ เริ่มจากออกจากบ้านไปผ่านสนามเด็กเล่นก็บรรยายให้เด็กนึกตา ม, มเด็ก ก, ก็ตอบสนองนะว่าเด็กเห็นอะไรบ้างที่สนามเด็กเล่น<ม>แล้วก็พาเด็กไปยุ่ทงท่าไปถึงร้านทางสงรรพสินค้าอุล ต, ตร้แมนมีสีอะไรบ้างนะ เด็กก็เลือกสีที่ชอบแล้วก็พาไปหาหลวงพ่อซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยเขารู้จักพาไปกราโพยาบาลก็พูดนำตลอดเด็กก็ตอบสนองน้อมจิตตามประมาณสัก2ี่สิบนาทีได้ก็เด็กสงบเลยนะแล้วก็ ไม่กี่ชั่วโมงอะไรงั้นเด็กก็เด็กก็ตายหมดลงไปยางสงบ น, นี่ความความผูกพันความรักแล้วก็การที่จิตเนี่ยน้อมตามมันเนี่ยมันช่วยให้ความเกิดความป่วยเนี่ยทำอะไรไม่ได้อันนี้เป็นเป็นกรณีซึ่งซึ่งที่เห็นว่าแม้กระทั่งเด็กเนี่ยเขาก็จากไปอย่างสงบได้ การช่วยผู้ป่วยยอนรับความตายที่จะมาถึงผู้ป่วยเขายอนรับความจริงอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องซึ่งยากสาหรับหลายครอบครัวแล้วก็หลายครอบครัวก็ไม่กล้าบอกความจริงแต่การบอกความจริงมันก็ช่วยหลายอย่างช่วยเขาเตรียมใจช่วยเขาพร้อมที่จะปล่อยวางไม่ต้องใช้การเทศแต่การซักถาม มีผู้ป่วยคนหนึ่งก็ถามพี่สาวว่าฉันจะรอดไหมพี่สาวก็บอกว่าแล้วเธอรู้สึกยังไงล่ะเขาก็บอกว่าฉันไม่น่าจะตายนะรู้สึกว่ายังห่างไกลความตายอยู่ พี่สาวก็บอกว่าก็ดีนะแต่ว่าลองที่อิกิทานนึดลองที่อิททานนสิว่าถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดรักษาไม่หายจะทำยังไง mm hmm. การถามของการซักหรือว่าการถามของพี่สาวเนี่ยก็ทำให้เขาเริ่มคิดเออนะถ้าเกิดฉันจะต้องตายเนี่ย พอถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มคิดขึ้นมาเขาก็เริ่มที่จะลึกต่อไปแล้วเออแล้วถ้าเกิดฉันตายนี่แล้วฉันเต็มตัวแล้วฉันจะเต็มตัวยังไงเขาก็เริ่มคิดขึ้นมานะตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เขาเริ่ม ย, ยอมรับความจริง ไ, ได้มากขึ้นการบอกความจริงเนี่ยบอก การบอกความจริงบางที่เป็นข่าวร้ายแต่ว่าไม่ต้องตามาด้วยข่าวดีข่าวดีคือว่าการที่ให้คามั่นใจว่าเราพร้อมที่เราพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือ เ, เขาอย่างสิ้นที่สุดหมอพยาบาลนะบอกความจริงอย่างเดียวไม่พอต้องให้ความมั่นใจว่าจะช่วยเขาไปาถึงที่สุดได้ช่วยจิตใจตรวจสอบสิ่งที่ดีงามตรงนี้สําคัญมาก เราว่าคนเราเวลาทุกเนี่ยใจมันจะไปเพ่งอยู่กับความเจ็บความปวดใจจะไปเพ่งอยู่กับกับสิ่งที่ไม่ดีกับเหตุการณ์ร้ายกับเรื่องราวในอดีตกับความผิดพลาดกรรมอนิมิตก็จะโผล่มาแล้วตอนนี้คนเราบางทีทำความดีไว้เยอะแต่ว่าทำความผิดพลาดไว้ไม่กี่อย่าง ไอสิ่งที่ติดไมสิ่งที่ผิดพลาด น, นี่บางทีมันก็อาจจะตามมามาปรากฏได้ที่เราเรียกว่าหลอกหลอนถ้าเราช่วยน้อมใจก็จดจอ่อสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันจะจะทำให้เขาเนี่ยไม่ทุกข์กับมันการจดจอ่อกับสิ่งที่ดีงามเนี่ยจะทําให้จิตใจเป็นกุศลและบัเกิดความสงบสิ่งดีงาม น, นี่คืออะไรบ้าง สิ่งดีงามนี้ก็หมายถึงสิ่งดีงามนอกตัวเช่นพระพุทธธรรมประสงค์หรือว่าเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าศาสดาที่เขานับถือหรือพระเจ้าถ้าเขาเชื่อนในเรื่องนั้นหรือว่าสิ่งดีงามคือความดีที่เขาได้ทําในอดีตและที่จะทําต่อไปเพรา ะ, ะนั้นการชักชวนให้เขาทำบุญบุศน์นี่ก็คือการช่วยเขาเจตจารูสิ่งดีงาม หรการพูดถึงสิ่งที่ดีงานที่เขาเคยทําในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีนะก็ช่วยได้คนเราพอนึกถึงความดีที่ตัวองได้ทำแล้วเนจิตใจก็สบายพอใจสบายแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ไปจดจ่อสิ่งที่เป็นทุกข์หรือว่ากังวลกดเพื่อสิ่งทั้งขาดใจตรงนี้หนักมากนะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ายังมีสิ่งทั้งขาดใจเนี่ยก็จะตาย ก็จะจับไปอย่างสงบได้ยากและในระหว่างนั้นก็จะทุรนทุรายบางคนไม่พร้อมที่จะไปบางคนไม่พร้อมไม่พร้อมลัวความจริงเพราะยังมีสิ่งข้างขาใจบางอย่างอยู่มีงานที่ยังทำไม่เสร็จมีความผิดที่ยังไม่ได้ขอโทษมีความโกรธที่ยังไม่ได้เคลียร์กันตรงนี้สำคัญมาก ผู้ที่อยู่จะต้องมีความละเอีดออนและความใส่ใจเพราะที่จะรู้ว่าเขามีอะไรที่คลั่งขาดใจที่เขายังไม่อยากจะเปิดเผยไม่อยากจะพูดที่ตีมาน่าก็ทาให้คนเราไม่อยากเปิดเผยว่ามีอะไรที่คลั่งขาดใจอยู่มีความผิดภาพบางอย่างที่ไม่กล้าพูดเพราะอายเพราะว่าหน้าตาเราต้องซักถามและช่วยเหลือ บาทีเขาอยากแค่อยากแค่อยากจะทําบุญน่ะแค่อยากจะบวชพระแค่อยากจะ เ, เคยเคยเคยตั้งใจว่าจะจะทำบุญวัดนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ทําบุญสักทีเคยตั้งใจว่าจะบริจาคเงินสร้างโบสถ์ไม่ได้ทําสักทีเราก็ช่วยเขาแต่บางทีมันมีอะไรที่มันยากกว่านั้นเช่นความรู้สึกผิดความรู้สึก แม่รู้สึกผิดต่อลูกลรู้สึกผิดต่อแม่สามีรู้สึกผิดต่อภรรยาการให้อาภัยและขออโหสิสำคัญมากนั้นนำให้เขาให้อาภัยช่วยเขาอโหสิ ก, กรรมแม้จะนึกไม่ออกก็นึกถึงกรรมในเวรเอาไว้ว่าก็ออโหสิ ก, กรรมไม่ได้กรรมในเวรก็ได้ ปล่อยวางสิ่งต่างๆตอนนี้สําคัญนะปล่อยวางบางทีไม่มีสินทางขาดใจแต่ว่ายังมีง ย, ง ย, งยึดอะไรบางอย่างอยู่ ย, ยึดบ้านยึดทรัพย์สินยึดคนรักยึดลูกยึดสามียึดภรรยาหรือแม้กรั่งยึดในร่างกายตัวตนนะคนเราเนี่ยกลัวความตายเพราะเราเพราะความตายหมายถึงการพรังพลาสูญเสียและเรากลัวความพังพลาสูญเสียเพราะเรายังยึดติดอยู่ ยึดติดเนี่ยทำให้เป็นสายนิยทุกเลยเมื่อใดก็ตามที่เราทุกไม่ว่าทุกการหรือทุกใจนะฮะหรือพาะทุกใจเนี่ยลองสาไปเถอะลองสาไปเถอะจะพบว่าความยึดติดเนี่ยคือสาเหตุที่เราเรียกว่าตัณหาตัณหาเนี่ยความอยากได้อือความยึดติดโทสะก็เป็นความยึดติดอย่างหนึ่งเพราะโทสะคือมันอยากจะทําร้ายเพราะมันยัง ยึดติดในความไม่ดีที่เขากระทำกับเราไว้ยึดติดในคาําด่าที่มันสังใจโมหะก็คือความยึดติดอีกแบบหนึง่งยึดติดในตัวตนว่าตัวตนนี่มีอยู่จริงตัวตนที่เที่ยงแท้แน่นอนมีอยู่จริงถ้าสาวไปเธอจะพบว่าเนี่ยไอ้ความยึดติดที่ทําให้ทุกข์ตัวที้เขาปล่อยวาง และความกังวลในทรัพย์สินและคนรักอันนี้อันนี้ต้องอาศัยการแนะนำขั้นที่สูงไปเรื่อยๆแต่ว่ายาตพี่น้องก็ทำได้สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความสงบใจเช่นไม่ทะเลาะหรือร้องไห้ต่อหน้าผู้ป่วย มาทะเลาะกันต่อหน้าผู้ป่วยผู้ป่วยก็ใจเสียมกันนะฮะหรือร้องไห้บางคนไม่อยากตายตายไม่ได้เพราะว่าลูกหลายนายังไม่อยากให้ตายเพราะสมกว่าถ้าตายแล้วเนี่ยตัวเองจะจะทําให้เขาทุกข์จะกลายเป็นคนไม่ดีไปก็เลยไม่อยากจะตายตายไม่ได้ก็เลยทุนรนทุรายอย่างนั้นแหละจักนะชวผู้ป่วยทําสมาธิภาวนา หรือสวดมนต์นะธรรมะสวดมนต์ง่ายๆเพื่อนบางคนก็เปิดเพลงธรรมะสวดมนต์ด้วยเปิดเพลง s p i r i t u อ l m มิวสิด้วยนะ mm hmm. ฟังเพลงที่ทำให้ใจสบายก็ทำให้ใจสงบได้ mm hmm. อำลับผู้ป่วยนะ mm hmm. ขอบคุณและชื่นชมความดีของผู้ป่วย ตรงนี้เนี่ยทำให้ผู้ป่วยเขารู้สึกเกิดความรู้สึกว่าชีวิตเขาไมอะไรค่าชีวิตเขามีคุณค่าชีวิตเขามีความหมายคนเราไม่ว่าจะไม่ว่าจะทําชั่วไหมนะก็ตามก็ต้องมีความดีอยู่บ้างอาจจะเป็นความดีต่อเพื่อนความดีต่อลูกความดีต่อพ่อแม่ถ้าเราน้อมนําความดีขึ้นมาให้เขาได้กินหนักเขาก็จะมีความปลุกใจเกิดความสบายใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากจะให้ลูกได้พูดคํานี้ ได้พูดไ ด, ได้ได้พูดสิ่งนี้ขึ้นมาแต่บางทีลูกไม่กล้าพูดเพราะว่าขัดเขินแต่ในยาม น, นี้ไม่พูดไม่ได้นะคเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วและจะมาเสียใจภายหลังว่าเมื่อเขายังมีชีวิต อ, อยู่เราไม่เราไม่เราไม่ขอบคุณเพ้าเราไม่ได้พูดพูดที่จะแสดงความชื่นชมที่ออกมาจากใจถึงตอนนั้นแล้วนะมา พอเข้าไปแล้วมันมันึเสียดายมันก็ ก, ก, ก็ก็อาจจะสายไปแล้วขอโหสิภนะ่อนเขาจากไปขออโหสิแล้วก็ชวนให้เขาขออโหสิด้วยแล้วก็สุดท้ายก็น้อมใจให้ได่ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นำให้ปล่อยวางสมัยก่อนก็ให้พระมาพูดแต่ว่าสมัยนี้เราไม่ต้องไม่ต้องคอยพระก็ได้เราเองนี่แหละ เป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ทำเองได้อย่างที่เพื่อนแต่ที่อาตามาพูดถึงเรื่องที่สาวของเพื่อนเนี่ย <warmer> ก็ที่น้องลูกหลานทำกันเองเลยแล้วก็ช่วยประคองใจตรงห้างผู้ป่วยจากไปงสงบซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกินวิสัยคนธรรมดาจะทำได้ อ, อาตมาพูดตรงนี้ไปก่อนนะฮะเพราะว่าเผื่อท่านใดสงสัยจะับฐาน